ชื่ออะไรบอกหน ur, ่อยดิฮะรถแทกเตอร์เน no ี oh, um. yeah. ่ยนะอะหนูฮะเฟินเฟินหรือโยังไม่เเฟินหรือเฟนเฟนเฟินใช่ไหมอ๋อเฟนนี่แปลว่าอะไรแปลเพื่อนน่เฟินอ๋อเลต้นไม้แล้วแทกเตอร์นี่แปลว่าอะไร บกไงบกอย่างเดียวอ่ะแล้วหนูมัดมีโอชื่อผู้หญิงไงฮะเร่ชื่อเป็นผู้หญิงมากเลยนไม่ใช่ผู้ชายเลยอยากเป็นผู้ชายหรืออยากเป็นผู้หญิงฮะอยากจะเป็นผู้หญิงรู้จัง ยี่ไม่เอาที่ต้องให้มันชัดเจนดิห้ามลังเลสับสนเอาให้จริงๆเลยเนะี่ยอยากเป็นหญิงหรือเป็นชายอยากเป็นชายเน่ยให้พูดไม่เต็มปากเลยนะเป็นเป็นผู้ชายมันต้องเสียงฮ้าวๆนิดนึง่งเห็นไหม <c oughs> เพราะอะไรอนะ่ะถึงอยากเป็นผู้ชาย ปรารถนาอยากจะเป็นมานาันยังไม่ใช่เราแบบนี้เพิ่งมาเป็นแต่เกิดมาเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็อยากมาเป็นตอนตอนอายุมากๆแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดนั่นเองคิดว่าจะกลับไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นหญิงได้ไมมได้จริงจริงก็ได้ อยู่ในการให้เหตุปัจจัยเป็นอะไรได้หมดเลยอะไรรู้ไหมว่าทำไมเราถึงอยากจะเป็นชายเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไ้เราอยากเป็นบูชาอ่ะเพราะอะไรเอาะ ห้ามมืน่นมืน่นงงงงไม่เอาห้ามงงจริงๆมันมีเหตุนะมันไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ว่าเพียงเราอาจจะหาเหตุมันไม่เจอแต่จริงๆมันมีเหตุปัจจัยหมดเลยนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอยมันมาจากอะไรเนี่ยอันดับแรกก็คือมาจากความจงใจตั้งใจภาษาพาก็เรียกเจตจำนงมีความคิดมีความจงใจมีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะเป็น คืใจเป็นชอบชอบที่อยากจะเป็นทั้งๆที่ภาวะในร่างกายมันไม่พร้อมเแต่ความตั้งความดังด้านจิตใจเห็นไมีสองส่วนนะในส่วนของร่างกายกับส่วนจิตใจเนี่ยตอนนี้คแค่ๆว่าจิตใจหรือเจียรติจมงความจงใจของเรามาตั้งใจเราอยากจะเป็นใช่ไหมมันมีสองส่วนต้องพูดครับสิถ้าอยากจะเป็นจใจ ใช่ถ้าอยากจะเป็นผู้ชายต้องพูดครับทีขยายยางครับทีนี <c oughs> <c oughs> ย่ยังไม่ชัดเนี่ยอย่างเงี้ยต้องต้องครับผมเลยต้งอย่างใช่ไหมล่ะเพราะเธอแดงว่าอยากเป็นเพียงพลังของความอยากจะเป็นมันยังมันยังต่ำอยู่มันยังไม่มันยังไม่สุดยังไม่เต็มที่ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหม แล้วแท็กเตอร์อยากเป็นหญิงหรือเป็นชายชจริงจริงนะต้องระวังนะอยากไม่ถ้าอยากจะเป็นผู้ชายต้องยังไงต้องไม่ทำต้องไม่ทำผิดศีลข้อสามไม่รู้ยางไงไหม ข้อสามเนี่ยผินศิษยคนที่เป็นจะเป็นภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเนี่ยมันจะกรณีมาจากพิศินข้อสามถ้าทําในอัตภาพนี้มันจะส่งผลถ้ายังทําช่วงนี้นะจะอายุ ป, ประมาณสักห้าสิบมันจะส่งผลก็อยากจะน้อมไปเป็นหญิงนาะยเจตจํานงตัวนี้ต้องต้อ ง, องพยายามศินข้อสามมันมียังไงคือไปร่วงละเมิดบุคคลที่เขา ท, ที่ไม่ได้รับอนุญาต ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยถ้าอย่างพวกเราเนี่ยจะมีพ่อแม่ปกครองอยู่ถ้าจะไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องของกามมคุณนะเกี่ยวข้องกันเนี่ยเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยโดยตรงเนี่ยต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่อนุญาตเนี่ยจะไม่ผิดเพราะเราเนี่ยยังต้องใช้เงินทองของพ่อแม่อยู่ยังไม่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ไอ้ตรงนี้สำคัญมากแต่ถ้าเราไม่สนใจหรอก มันจะเป็นกระเทยจะเป็นผู้หญิงจะเป็นอะไรไม่สนใจทั้งนั้นก็ทําได้ไม่เป็นไรไม่อยู่ที่เราแต่ถ้าเราบอกโอ้ยไม่เอาแล้วเราจะรักษาสภาพของความแข็งแรงทั้งมั่นคงทั้งด้านจิตใจเราจะไม่ให้กรรมตัวนี้ให้ผลที่ใจเรานะกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันจะให้ผลที่ใจก่อนทําให้ใจคิดเปลี่ยนวิบคือมันเกิดลังเลและสับสนในตนเองเคยเป็นไหมหนูเคยเป็นไหมชีวิตลังเลและสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตมันจะลังเลตลอด คนที่ไม่ค่อยแข็งแรงทางด้านจิตใจก็จะเป็นแบบเนี้ฉะนั้นผู้หญิงจะมีความลังเลสับสนมากกว่าชายแต่ถ้าคนที่มีความคิดที่ไม่ลังเลเป็นคนมีความเชื่อมั่นตนเองสูงเชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองกระทําที่เป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยถ้ามีจิตที่เชื่อมั่นตรงเ น, นี้ไอ้พวกนี้ไม่ลังเลไม่ค่อยลังเลแต่คนส่วนใหญ่จะลังเลไปตามสภาพสิ่งแวดลอ้อม อย่างพวกเราเนี่ยที่มีรับผลแบบเนี้มันมาจากสิ่งแวดล้อมชัดๆเลยที่เราอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่มันมีอิทธิพลจากเขาเรียกว่าภาษาพระเขาเรียกอิทธิพมต่อพ่อแม่บ้างปู่ตาย า, ยายายบ้างญาติบ้า ง, าางเพื่อนบ้างหรือสิ่งแวดล้อมที่เราไปอยู่หน้าที่นั้นๆพวกเราเนี่ยอย่างเนี้ยท่านทัตเนี่ยพระทัตใช่ไหม อะไรนี้อย่างเงี้ยถ้าไม่มาบวชก็จะไม่รู้นี่มาบวชก็เริ่มรู้เยว่าเออจริงๆตัวเองก็ทำอะไรไม่ถูกมาเยอะเนี่ยพอมาบวชปุ๊บโอคือมันมีอย่างนี้พวกเราสังคมไทยเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะไปเรียนต่างประเทศกันเนี่ยเราจะไปแบบคนที่รู้น้อยอันนี้เป็นปัญหายุโรปเขาจะดูถูกโซนเอเชียเรา ว่าเป็นคนไม่ใฝ่รู้ไม่ใฝ่ปัญญาเขาจะมองเห็นปุ๊บเขาจะมองถ้ายิงมองมาเพศหญิงปุ๊บเนี่ยวเขาจะมองว่าถ้ามาทางแถบเขาโดยมากจะไปขายตัวเขาจะมองตีตกอย่างนั้นเลยนะซึ่งประเทศไทยมันมีชื่อเสียงทางด้านนี้มากบางคนไปต่างประเทศไปยุโรปไม่กล้าบอกว่าเป็นคนไทยขนาดนั้นเลยนะเพราะมันมีมีภาวะว่ามารรคธรรมรุ่นเก่าๆที่เขาทําไว้เน ทำไม่ค่อยดีนันก็เลยมีผลกระเทากับพวกเราทีนี้และและ้วแล้วมาจิ้งมายุกอย่างเราเราเนี่ยถ้าสังเกตดูนะอย่างทัศนนี่มาเรียนลงุงลุงก็ถามว่ารู้จักอังกฤษเ้าแค่ไหนรู้จักไหมว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาเขาอย่างไงไม่รู้ว่าการเมืองการปกครองวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจรู้ไหมรู้นิดนิดอย่างงี้แย่ คือเราไม่รู้จักเขาไอ้ไม่รู้จักเขานี่ก็แย่ระดับหนึ่งแล้วนะที่แย่ตะแย่ที่น่าเกลียดก็คือไม่รู้จักเราคือไม่รู้จักตนเองเลยพวกเราไม่รู้เลยที่เราศึกษากันมาเราก็ไม่เคยรู้ว่าทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะไม่รู้จกักศาสนาของตนชัดไอ้ตรงนี้เลยกลายเป็นปัญหาเลยพวกเราเนี่ยไอ้กรณีที่ไม่ค่อยไม่ค่อยฝ่ปัญญาเนี่ย คำว่าไฟนี่ก็คือสแสวงปัญญาชอบปัญญาชอบชอบที่จะรู้ไอ้ตรงเนี้ยมันหายไปฉะนั้นตรงนี้เราต้องต้องพยายามกระตุกตัวเองกลับขึ้นมาใหม่ว่าเอออย่างเงี้ยถ้าทัศน์เนี่ยออกไปจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะขนาดไม่ไม่นานเนี่ยเขาจะต้องไปค้นคว้าต่อนะแต่จริงๆก็คือได้มุมได้จุดคิดได้วิธีคิดได้ทัศนคติมันเปิดขึ้นมาไม่ใช่แคบแล้ว มันไม่ใช่ว่าทัศนคติที่ติดตันและคับแคบไม่ใช่เป็นทัศนคติที่เปิดพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะฝึกฝนพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะตอบคําถามเขาได้วเวลาไปอยู่เน้นเพื่อนชาวยุโรปหรือชาวต่างประเทศก็ถามถามเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องทัศนคติเรื่องมุมมองก็จะตอบได้ชัดขึ้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดเด่นว่าเออเราต้องเราต้อง ถ้าของเขาเนี่ยเขาก็ชัดในตัวเขาเองอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยไม่ค่อยชัดเออตรงเนี้ยเราถ้าเราต้องการอยากที่จะไปมันมันไม่ใช่ไปแค่ว่าไปเรียนแล้วเขายนวิญญาณนิพน์อะไรให้เราทำแล้วก็ไปท้ามเขาอยากรู้เรื่องอะไรของเราแล้วก็ไปทำให้ความรู้เข้าไปแล้วก็เอาใบ ป, ประกาศกลับคืนมาแปลว่าเขารู้จักเราหมดด้วยมากก็เป็นอย่างนั้นคนที่ไปเรียนต่างประเทศ เราไปเสียเงินเสียทองกันอย่างมากแต่ที่จริงก็คือเอาความรู้ค้นคว้าวิจัยแยกแยะทั้งหมดความรู้ทั้งหมดไปโยนให้เขาเต็มไปหมดตอนเนี้ทั้งแถบยุโรปทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาเนี่ยเขารู้เรื่องประเทศไทยหมดเลยไปจากไหนไปจากนักศึกษาไทย <c oughs> ไปแลกเข้ามายอมเสียเงินเสียทองเอาความรู้ค้นคว้าศักยภาพทั้งหมดของเราเนี่ยโยนความรู้ไปทิ้งไว้ให้เขาไปวิจัยเขาเบียดเสร็จหมด เขาไม่ต้องเสียเงินเขาไม่ต้องมาจ่ายอะไรต่างให้เราเขาแค่โยนใบประกาศให้เราหนึ่งใบแต่เขาได้แล้วไอ้ถึงเป็นตัวปัญญาเป็นตัวข้อมูลเป็นตัวความรู้เขาอยากจะรู้เรื่องอะไรเขาสามารถจะบอกให้หนูทำเรื่องอะไรได้เช่นอยากจะรู้เรื่องข้าวอยากจะรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมของไทยอยากจะรู้เรื่องอะไรในไทย หนูก็ต้องโค้นให้เขาเต็มที่เพื่อจะทำไปตรงนี้เพื่อต้องการแลกมาซึ่งไอ้ใบประกาศตัวนี้ไปๆมาๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเออ <c oughs> เนี่ยเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่ตรงนี้เราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจว่าเออเนี่ยให้ให้เข้าใจอย่าแบบนี้ที่ประเด็นคือว่าดีนะที่หนูมาเอาแลกนี้วันนี้มาศึกษากันอีกเรื่องนึงเรื่องในถ้าถามว่าให้ทานเนี่ยเอาแค่ในาศาสนาเนี่ย การถวายทานเราขับเน้นกันมันมีสองมันมีสองส่วนนื้หนึ่งเนี่ยสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ถืงหน้าหนูเนี่ยนี่ก็เรียกวัตถุภาษาภากเรียกวัตถุทานเป็นสิ่งของที่ควรให้ควรสละควรแบ่งปันทีนี้ทั้งด้านความคิดจิตที่คิดจะให้เกียติจานงจงใจตั้งใจที่จะให้อันนี้เขาเรียกว่าเจตนาทานเห็นไหมทานมีสองส่วน หนูว่าไอตัววัตถุทานกเจตนาทานเนี่ยอันไหนมีความสําคัญมากกว่ากันฮะไอตัววัตถุทานเนี่ยเนะี่ยของสิ่งของเนี่ยที่จะมาให้นะที่จะมาให้เนี่ยกับความคิดที่จะให้จะสละจะแบ่งปันเนี่ยในสองส่วนเนี่ยหนูว่าอันไหนสําคัญกว่าฮะไม่ส่วนไหนสําคัญกว่าจิตที่คิดจะให้กับตัววัตถุที่ให้ อันนี้นอันนี้เป็นวัตถุใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําของกินของใช้ทั้งหลายเหลเ่า น, นี้อันนี้คือวัตถุอันนี้ก็วัตถุทานคําว่าวัตถุเนี่ยก็คือสิ่งของทานแปลว่าให้ของที่ควรให้ควรที่ค้สละคนรแบ่งปันกับจิตที่คิดจะให้เจิตที่คิดจะสละจิตที่คิดจะแบ่งปันอันนี้เป็นนามาธรรมระหว่างนามาธรรมกับรูปรธรรมเนี่ยอันไหนไมันสําคัญกว่า อ่าไหนทำงานก่อนหนูหนูมัดมีฮะ ห, หนูเรียนได้เก็ดเฉลีย่ยเท่าไรหร่เกรดเฉลีย่ยเท่าไหร่ตอนมัธยมเออเทออ่าไหร่สอง7ุเจ็เรียนที่ไหนเลสองจุเจ็ ส7นี่สามารถไปเรียนอังกฤษไหวไหมไหวใช่ไหมไหวว ะ, ะเขากดเกรดหรือที่เนี่ยไม่กด oh แล้วหนูอ่ะมัธยมสามเท่าไหร่แล้วหนูอ่ะฮะยังไม่ได้เลยแล้วหนูอ่ะสอไหวไหมเวลาไปเรียนอังกฤษเ ข, เขาเขาเรียนหนไหม ไม่โหดใช่ไหมอ๋อมันเรียนไม่ค่อยดีกันดิ่าเนี่ย <c oughs> ที่เขาไล่ออกไปเนี่เพราะอะไรพ่อแม่ลำคขันบ้างหรือยังไงบอกว่าเราไปนู้นกันเหนื่อยเซนตายเล ย, เยใช่มั้ยล่ะต้องไปอยู่เมรกาแบบนี้ไปอยู่อังกฤษจบง่าย เข้ไปอเมริกาให้ไปลําบากร้องไห้เขาเข้าไปอ <laughs> เมริกาบางคนไปปีก็จบออกมาชบโทม <laughs> เออมันกลายเป็นเป็นตัวไปซื้อใบประกาศกลับมาเออทาไงดีอ่ะเดี๋ยวเดียคุยเรื่องนี้กันต่ออย่าเพิ่งไปคุยเรื่องนี้เลยจะหนักใจ <laughs> เอามัดมี <laughs> เออครับเลยนะครับเลยครั้งเมื่อกี้นี่ครับนี่เต็มหมดเลเต็มไหมเราเป็นโรคคนที่เท่าไหร่เนี่ยใครเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ทำอะไรต้องเอามาอบหลมให้พ่อแม่ยังลูกยังไงเดี๋ยวพ่อพ่อแม่มาหาลุงๆหน่อยนะ เป็นเลี้ยงลูกกันยังไงออกมาเป็นแบบนี้อย่างงี้มีปัญหาเลยหนี่งมีลูกคนเดียวได้เลยทําสูไอ์ศูนย์ใช่มศูนย์ตัวยต้าที่ไหนทำที่ไหนศูนยตัวยต้าอย่างนี้ตรงไห น, น, น, ไ น, นอ๋อดีตัวยต้าเหนื่อยระเบิดถดถึง <c oughs> ยกเงี้ย ยูนี้ก็ขายรถเหนื่อยหน่อยแล้วแล้วหนูมีพี่น้องกี่คนเเป็นคนเท่าไหร่คนโตใช่ไหมพ่อแม่ทำอะไรทัวร์ทัวร์ไปที่ไหนอ๋อแล้ว พ่อแม่เลี้ยงดีไหม ด, ดไหมีได้กลายเป็นเรียนได้แค่นี้เลยพ่อแม่ตามใจสิใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกตามใจได้หนูอะพ่อแม่ทําอะไรพ่อแม่ตามใจไหมอต่ทำไมหนูเรียนไม่ได้ก็ก็ตามใจที่ไม่ได้บังคับหนูหนูถึงเรียนได้ไม่สูงเกจเฉลี่ยถึงได้แค่นี้ใช่ไหม หนูมีข้ออ้างกับพ่อแม่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมอ้างยังไงเวลาอ้างถ้าขี้เกียจ ด, ดูหนังสือหนูอ้างยังไง <c oughs> <c oughs> เอออ่าแล้วพ่อแม่ทำอะไรสอสอจังหวัดเลยราชบุรีรรใคร อ <laughs> <laughs> ๋อเพิ่งจะมาสมัครนี่นะนนนนนนสวอสวอแต่งตั้งหรือเลือกตั้งเลือกตั้งอ๋อลาบุรีก็มีสวอนานแล้วมั้งสวอเนี่ยแล้วนี่ไปเข้าพักนะนนพไะ อ, อยู่อะไรนะอ๋อพักที่อยากเป็นรัฐบาลนี่นะ <laughs> <laughs> โอ้ราะงั้นเองหนูก็เลยได้อิทธิพลจากพ่อแม่สิใช่ไหมวิธีคิดกับพ่อแม่ดีก็เอาไม่ดีก็เอาใช่ไหมเป็นงั้นหรือเปล่าอ๋อแต่พ่อแม่ทําก่อสร้างเนาะและ้วทําอถนนบ้านไม่ได้ทําอ ท, ทําถนนอย่างเดียวมีลูกกี่คนนะพ่อแม่รูกคนที่ดีอะไร อ้โห oh, พอเงี้ยเองนเนี่ยเนยยคนเล็กมีปัญหาอย่างนี้อ่อนแอนิดหนึ่งต้องเข้มแข็งใช่ไหมเข้มแข็งบางเนี่ยโรงเรียนปิดกันปิดเทอม ก, กันกี่วันประมาณ6วันแต่ยังปิดอยู่ใช่ไหม <c ười> อ๋อแล้วตอนนี้หนูทาอะไรเ <c ười> นี่ยงั้นเดี๋ยวไปกับพระหน่อยเนี่ยพระวันที่หนึ่งเนี่ยพระจะเดินไปเพชรบูรณ สบายย่ามตา ม, ไ, ามาไม่ใช่เดินเอาเนี่ย เ, เดินตามพาไปจะได้เข้มแข็งเอาไหมเ <c oughs> ดินสบยายย่าไม่ทัดเขาเอาไหมก็เป <c oughs> ็นเพื่อนกันไงก็เหนื่อยกับเพื่อนหน่อยได้ไหมเอาไหมมาจะได้ฝึกให้เข้มแข็งไงเอาไหมล่ะ <c oughs> เอาดีนะแล้วเอาอีกแต่ใจทีเดี๋ยวให้พระท่านพาเดินร้อยกว่ากิโลไม่ไม่เดี๋ยวไปไม่ไม่ใช่ฝึกหน่อยดีนะเอาไหมตั้งใจเลยเอา <c oughs> เอางี้ก่มานอนนี้ก่อนดีกว่านั่นเลยมันม <c oughs> วันนี้ไม่ต้องกลับเลยเนี่ย <c oughs> แล้เดี๋ยวพวกหนูหนูขับรถกันได้ไ้ยเออถ้า ง, งั้นก็ให้เจ้านี้ ให้เจ้นี้ก็กลับเออเข้าอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปทำแล้วไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวฉันจะคุยกับพ่อแม่ให้ <c oughs> เออยังอยู่ที่นี่เลยดีกว่าไม่อย่้องไห้สิ ถ้าฉันเห็นหนูแล้วนึกในใจเออทาหนูมาอยู่สักอาทิตย์จะดีนะเนี่ยสุบหรี่ะฮะกินเหล้าได้บะไม่ดูมือหน่อยใช่ไหมไถ้าฉันพูดความจริงหนูจะตกใจไหมเนี่ยโอ้โหน่าไปนั่งกับที่ วันละกี่สองทั้งวันทองทำไงรังเกียจตัวเองมากเวลาสูบคิดยังไงมึงจะอยู่นานเลยมึงตายเถอะ <c oughs> ปอดมึงยังพังไปเธอหัวใจมึงยังพังไปเธอตับมึงยังพังไปเธอเนี่กูยอของเสียใส่เข้าไปกูเกลียดมึง น, นักมึงคิดงี้ป่ะคิดงี้คิดอย่างงี้ไหมเวลาสบสบบรีกินเหล้าหนูเคยกินเหล้าไหมเลื่อเลื่อออ จริงๆก็บังคับเขาก็บอกเลยเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นคนดีมาโค บ, บพวกเรานี่แหละ <c oughs> หนูก็ต้องพิจารณาเลยแล้วยังหาเพื่อนดีๆไม่ได้เลยคบพวกนี้ไปก่อนใช่ไหมจะ <c oughs> หาคนดีๆก็หนูก็แยกเลยนะแยกวงเลยเนะ่ <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> เพราะว่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวหนูติดเราติดบุหรี่ยุ่งเลยใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าอยู่ใกล้ก็อนะันตรายน์ควันเนะี่ยเพราะเรา ภูมิคุ้มกันของเราจะต่ำเพราะเราไม่ได้สูบคนที่สูบนี่มันสร้างภูมิคุ้มกันในตัวด้วยม้าอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่อันตรายมากกว่าคนสูบบุหรี่ใช่ไหมล่ะหนูก็เรียนมาแบบนี้ใช่มหมด้วยหลักการเล ย, เยแต่ก็เท็จจริงเลยฉะนั้นคนที่เข้าสูบบุหรี่เขาคิดยังไง ร, รู้ไหมไอ้ใครอยู่ใกล้กูให้มันตายหมด <c oughs> มันก็พนพวดออกมาพนพวดมันมีเจตนาชั่วร้ายนะเจตนาให้เราให้เราป่วยเข้าใจปะ เขาคิดกันอย่างนี้เลยอยากอยู่ตายหมดเมเป็นมะเร็งเป็นอะไรเงี้ยมัคิดเงี้ยพนพวนพวออกไปวนใช่ไหมไอควันมันก็วิ่งไปมาสูบในวัดเลยก็ได้พระตายหมดเตอะสูบพลพลพนเสร็จแล้วก็รีบไปให้ควันมันวนอยู่ในวัดอ่านี่เดี๋ยวออกนอกเรื่องไปแล้วประเด็นก็อย่างนี้ที่ถามเนี่ยเอออยากให้เราได้ ที่จริงถ้าถามว่าสารเสพติดเนี่ยนี่ก็ให้ให้เลิกเลิกแล้วตอนนี้ที่แรกหุดหงิดกุดงิด <c oughs> ที่จริงที่จริงนี่มันเป็นมันเป็นความคิดพื้นฐานสุดๆเลยเราไม่ได้ติดมันมาในเรื่องของพวกนี้ แต่ว่าเราเนี่ยมามาเสพมันทีหลังแล้วมันมันเป็นอันตรายอย่างมากโดยซ้าไปแล้วเป็นกรณีที่เราถ้าเราฝ่พวกปัญญาจริงๆเนี่ยสิ่งของพวกนี้มันเราจะรู้ทันทีมันไม่ได้มีเป็นมันไม่ได้มีคุณตัวร่างกายเลยเนะแต่ทําไมเราถึงทนทนกับความหิวไม่ได้ทนกับความอยากไม่ได้รู้ไหมเพราะอะไรอ่ะ มันติดรสชาติติดรสติดรสชาติแล้วก็เป็นคนชอบชอบมึนชอบมึนชอบเมาคนที่คนที่ผลิตบุหรี่คนที่ผลิตเบียร์ผลิตเหล้าพวกนี้จะไม่กินมันเขาจะสังเกตเห็นพวกเจ้าของเลยจริงๆฉันรู้จักกับเจ้าของคนที่ทำ บุหรี่ผลิตบุหรี่เขไม่เคยสูบแล้วก็ห้ามไม่ให้ลูกกินเพราะเขารู้ว่าส่วนผสมมันคืออะไรบ้างาก็รู้หมดแต่พวกเราเนี่ยบางทีมันมันกลายเป็นเคียงแค่ว่าเป็นเป็นเหยื่อเขาแคนะ่นั้นก็ก็ไม่ว่ากันเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นก็เป็นแต่ว่าถ้าเนะี่ยถ้าแค่ทดสอบและทิ้งไม่เป็นไรแต่ถ้า ไปติดมันเลยเนี่ยอันนี้แปลว่าเสียศูนย์แล้วเสียเสียสมรรถภาพแล้ว เ, เดี๋ยวย้อนมานิดหนึ่งก่อนจะพูดเรื่องนี้ทีนี้ตัวเราจะให้ทานเนี่ยตัววัตถุกับนมามธรรมกับจิตคิดจะให้ใช่ไหมมันมีจิตที่คิดจะให้กับตัววัตถุเนี่ยไหนสาคัญกว่าจิตที่คิดจะให้ก่อนที่เราจะมาเราคิดก่อนใช่ไหม เราคิดว่าจะเอาอะไรมาให้เอาอะไรมาบริจาคเอะไรมาแบ่งปันเนี่ยเนี่ยจิตอย่างเงี้ยจิตจะคิดจะให้ปรุงแต่งทีนี้เวลาคิดจะให้ให้สังเกตตัวนี้นว่าบางทีมันมันเป็นฉันท่าทานนังก็ได้อ๋อมีเพื่อนบวชอยู่เพราะปกติถ้าไม่มีเพื่อนเราไม่เห็นเข้าวัดกันเลยอันนี้ก็เรียกว่าลำเอียงเพราะรักเขา้าใจยังเนี่ยให้ลําเอียงเพราะรักมันเป็นทานเหมือนกันแต่เป็นทานเอียงแล้วเพื่อนเราอยู่ มาบวชเป็นพระอยากก่างนั้นเลยเราของไปให้เนี่ยลําเอียงเพราะรักเราเคยไหมเรารักให้มากเราก็อยากให้คนนั้นใช่ไหมไอ้เนี่ยลําเอียงเพราะรักแบบเคยให้แบบลําเอียงเพราะโกรธไหมเคยเป็นไหมโกรธ ด, ด้วยให้อ่ะไม่พอใจไปลอกแต่ให้เคยไหมเคยทําไมไม่เคยละ่ะบางทีไม่ชอบคิดหน้าไปหรอกแต่ให้แต่น้อยไงไม่ให้เยอะเคยเป็นไ้มละ่ะ ไอ้กรณีแบบนี้ก็ลำเอียงพักปลุกแล้วก็ให้โดยไม่ไม่รู้เหตุผลพวกชวนมาก็มางั้นแหละอะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้คิดเจรณาว่าเป็นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เอ๊ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่เป็นโทษต่อร่างกายไม่ไม่รู้เรื่องไม่ได้แยกแยะเลยเคยเป็นไหมเหมือนกับเอ๊ะคนชื้เฮ้เสื้อผ้านี่สวยก็ไปซื้อรองเท้าสวยก็ไปซื้อไม่ได้พิจารณาว่ามันดีไม่ดีอย่างไรเป็นประโยชน์ต่อร่างกายยังไงเคยไหม เวลาจัดซื้อของเคยมีกรณีแบบนี้ไหมเช่นอาหารเนี่ยเอ้ยอาหารนี้ดีนะไม่ได้แยกแยะพะเพื่อนเพื่อนบอกว่าดีเอาความเชื่อไปฝากไว้กับเพื่อนเอฟบุรียี่ห้อนี้ดีนะไม่เคยสนใจแล้วเอาความเชื่อไปฝากไว้กับเพื่อน ไอเล่าเออยเบียเออยวายเออยี่ดีนะเนี่ยก็ความเชื่อไปฝากไว้กับเพื่อนไม่เคยไปแยกแยะว่าองค์ประกอบว่าจริงๆมันมันให้คุณยังไงมันให้โทษยังไงและร่างกายของเราคนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แค่ไหนอย่างไรไม่เคยไปแยกแยะแบบนี้เคยเป็นไหมชีวิตนะโดยมากเราเป็นคนเชื่อคนง่ายไหมง่ายไหมง่ายอันใครเชื่อคนง่ายมากกว่านี่สี่คนเฟนเชื่อคนง่ายไหม <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยเฟิรนเชืวว่อคนง่ายไม่หนูแม่นี่เพื่อนบอกเลยพูดอ่างแล้วมีหนูเชี่ยเลย <laughs> เคยเคยโดนหลอกไหม <laughs> โอ้ไนี่อันนี้ก็นี่คือเชียวว่ยคนง่ายไงกันโดนหลอกเนี่ยเคยโดนหลอกยังเคยโดนหลอกยัง นเคยได้หลอกยังเพื่อนหลอกเคยไหมเพื่อนหลอกเออนั่นแหละเขาเรียกโดนหลอกเคยหลอกเพื่อนไหมเคยก็สมแล้วถ้างั้นทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลใช่ไหมเคยหลอกเพื่อนไหมหลอกเรื่องอะไร เคยหลอกก็จำไม่ได้อีกทาไมเลยเคยหลอกเพื่อนไหม <c oughs> เคยจะหมเอา <c oughs> เคยหลอกเพื่อนไ <c oughs> หมโอ้โงั้นถ้างั้นก็ไม่เป็นไรถ้าจะโดนหลอกใช่ไ <c oughs> หก ม, ม <c oughs> เคยโกหกพ่อแม่ไหม <c oughs> เคยโกหกพ่อแม่ไหมเคยโกหกพ่อแม่ไหมเคยไหมอ๋อ โกหกเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าโกหกไปแล้วรู้สึกมันมันรู้สึกว่าไม่ดีเลยในความรู้สึกเราคิดทีไรมันทุกข์เรื่องอะไรนเรื่องเรียน เ, เยนชื่อไห ม, มว่าพระที่เขาศึกษาอะไรมาดีเพียงแค่เขามองบุคลิกภาพของพวกเราก็าาจะรู้ทันทีว่าเราเนี่ยทํากรรมข้อไหนไ ม, มา บางคนทำกรรมกลุ่มพวกปันอิบาตคำว่าปนาันในบาตคือฆ่าฆ่ า, า, ศ า, ศาสตัตว์มาเยอะหรือไม่อย่างนั้นก็คือเป็นคนโกรธเป็นคนคอชอบคิดประทุษสลายคนอื่นมาเยอะ คนที่ชอบคิดประทุษล้ายคนอื่นคิดโกรธคนอื่นคิดเกลียดเครียดคนอื่นง่ายจิตที่ตกล่องในเรื่องนี้บุคลิกภาพมันจะออกมาสีหน้าแววตาพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ทั้งทั้งมันจะสร้างตาสร้างจมูกสร้างปากออกมาเนี่ยมันจะมันจะมีบุคลิกภาพออกมาพระที่เขาศึกษามาดีเขามองแป๊บเขารู้คนที่มีความคิด อ, อยากได้ของคนอื่นโดยไม่ชอบทำํำ เห็นอะไรก็อยากได้อยากได้ก็น้อมเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่สามารถไปทำได้เพราะกลัวติดคุกติดตารางแต่ใจมันอยากใจมันอยากมันก็น้อมอย่างยกตัวอย่างเช่นเห็นคนนั้นสวยเห็นคนนั้นหล่อเห็นคนนั้นอะไรก็น้อมเอามาปรุงแต่งเป็นของตนเองแบบเนี้ยเคยไหมล่ะเคยไม่เคยเคยคือมันเห็นแล้วเราชอบไงแต่เราก็เข้าใจใช่ไหม เคยใช่ไหมล่ะแล้วก็น้อมออกมาเป็นของเราผู้ชายรือผู้หญิงก็เป็นเยอะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสําเร็จทางใจเราเรียบร้อยคือน้อมออกมาเป็นของเราอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นทรัพย์เป็นสถานภาพเป็นแม้แต่เป็นเพศตรงกันข้ามก็น้อมชอบแล้วก็น้อมเอามาเป็นของตันเองลักษณะแบบเนี้ยส่วนอีกอย่างนึ่งก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการประพฤติผิดใน ใ น, ในเพศตรงข้ามโดยโดยที่พ่อแม่ไม่ยินยอมพ่อแม่ไม่ได้อนุญาตไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่ไว้ไอ้ตรงนี้กนน็นั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือว่าคนที่โกหกเลยพูดเท็จเนี่ยคือพูดคำพูดไม่จริงถ้าพูดส่อเสียดก็คือพูดให้คนแตกทะเลาะ ก, กันถ้าพูดคำหยาบก็คือพูดด้วยจิตที่โกรธเกลียด แล้วก็พูดออกมาถ้าเพ้อเจือก็คือพูดไปเรื่อยเอาสาระเกณฑสารไม่ได้ในสี่อย่างเนี้ยโดยมากอันไหนมากที่สุดพูดเท็จพูดโกหกบ่อยไหมเห็นบอกก็ไม่เห็นได้ยินบอ ก, กไม่ได้ยินทําบอ ก, กไม่ได้ทํารู้บอ ก, กไม่รู้บ่อยไหมแบบเนี้เอา้าแล้วพูดให้คนทะเลาะ ก, กันเนี่ยคือจับให้คนขัดแย้งกันทะเลาะ ก, กันรู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนคนนี้มันดีกัน อยากให้เขามารักเราแล้วก็เลยไปใส่คาใส่สีให้มันขัดแย้งกันได้เลยบ่อยไหมพูดหยาบโกรธแล้วพูดเกลียดแล้วพูดพูดคำหยาบออกมาบ่อยไหมชอบเอาปากเป็นห อ, อกทิ่มคนอื่นทําเป็นทำปากเอาปากเป็นหอกชอบแทงคนอื่นทิ่มคนอื่นถ้าเห็นคนอื่นเจ็บปวดทุกข์แะสะใจเคยเป็นไหมมีคําพูดเจ็บๆแล้วก็แทงคนอื่นเรื่อยเคยเป็นไหมใช่ปากเป็นห อ, อก ไปแทงเขาบ่อยไหมชอบจะหาคำพูดที่มันสะใจสะใจไว้แล้วก็เอาไปอัดคนอื่นเป็นไหมเป็นเป็นยังไงเป็นไห ม, ไหมแบบ น, นี้เอาเพ้อเจือสรุปทั้งหมดเหล่านี้ก็เรียกว่าชอบใช้ปากทำบาป มันทำบาปได้ทั้งสองทางกายกับทางปากนะแล้วก็ทางใจใช่ไหมสามทางใช่ไหมแต่ทั้งหมดเหล่านี้ยก็คือมีใจเนี่ยเป็นตัวกํากับอยู่ทั้งมโนกรรมทางใจเนี่ยเป็นตัวอย่าเป็นตัวคอนโทรลกำกับอยู่แต่ถ้ายัางมั่มีเนี่ยไม่ต้องบอกหลวงคก็รู้ทันทีเนี่ยก็หกเก่งเพราะอะไรเพราะว่าบุคลิกภาพสีหน้าแววตามันจะออกถ้ายิ่งโกหกมากกว่านี้มันจะออกมากกว่านี้ มันจะออกมาที่ไหนอย่าบอกนะตาตาจะค่อยๆถลนออกมาคือตามันจะเริ่มเริ่มนูนออกมาเหมือนตาปูอ่ะเหตุผลเพราะเวลาคนจะโกหกเขาเนี่ยพอลิ่งยิ่งเขาเริ่มจับได้เนี่ยมันจะต้องหาวิธีอีกเยอะนะมันจะต้องทําเป็นหงุดหงิดทําเป็นโกรธ ถ, ถ้าเขาไม่ฟังเลยทั้งหลายทําเป็นเอะอะโวยวายมันมันจะต้องแสดงปฏิกิริยาออกมาทีนี้สีหน้า <c oughs> นะ <c oughs> เขา้าใจยัง ไอ้สีหน้าแววตาท่าทางบุคลิกภาพมันจะกลายเป็นอีกคนนั้นแลยแล้วมันจะมันจะมันจ ะ, น จ, ะนจะปูดออกมาตาจะเริ่มปูดออกมาหรือบุคลิกภาพทั้งหลายมือเท้าทั้งหลายมันจะออกมามันจะออกมาแบบเริ่มเสียรูปคนที่เขารู้เรื่องบุคลิกภาพเขาดูเรื่องตำลาอย่างโบราณก็ตำรางวงเฮงดูปบเขาจะรู้เด็ทีแต่ว่าเขาไม่รู้เหตุไอ้ตำลาพวกนี้ไม่รู้เหตุ แต่ในคำสอนคุณทจ้าจะรู้ทั้งว่าผลเป็นอย่างนี้มาจากเขตยแบบนี้หนูจะทำให้เป็นคนที่หน้าบุคลิกภาพที่ดูดีแล้วก็ดูดูหน้าหน้ารักและดูดีก็ได้ดูไม่ดีก็ได้หนูสามารถทำได้กันหมดเลยแล้วจะบอกวิธีเลยอยากจะมีหน้าตาแบบบิดเบี้ยวไหมตาก็ไปทางไปเรียกตาไปสามกีกันนะมองไปคนละทางก็ได้หรือตามค่อยค่อยนูนออกมาก็ได้ปาก ลักษณะปากลักษณะมือลักษณะเท้าบุคลิกภาพทั้งหลายให้มันให้มันสูญให้มันเสียก็ได้แล้วจะบอกวิธีอยากรู้ไหมไม่อยากรู้ก็ไม่บอกแล้วอยากจะอยากจะให้มีเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีไหมอย่าทำอย่างที่ผ่านมาก่อนเนะี่ยอย่างที่ผ่านมาเพราะเราเราทำโดยไม่รู้อย่างเนี้ยอย่างหนูเนี่ย ถ้าคนอื่นก็จะไม่ถ้าอย่างพระดูแต่พระก็ไม่ทุกองนะไม่ต้องดูลายมือเลยดูปุ๊บรู้เลยอ๋อเหตุที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หนูอยากเป็นนะแต่หนูประสบปัญหาพอประสบปัญหาแล้วมันมีความมันคิดว่าจำเป็นที่ต้องทำเพื่ อ, อตัวรอดถ้าอย่างนั้นรู้สึกตนเองจะถูกเบียดเบียนถูกกดทับมันก็ต้องพยายามดิ้นทุกวิธีทาง จะโกหกก็เอาจะส่อเสียดก็เอาจะพูดทาหยาบบ้างแสดงปฏิกิริยาต่างๆทีนี้ไอ้ล่องลึกตัวเนี้ยทิฐิตัวนี้มันลงล่องขึ้นล่องลึกแล้วมันก็แข็งแข็งทื่อแล้วตัวนี้ยมันก็เลยใช้บุคลิกภาพนี้ตลอดเลยกลายเป็นเป็นบุคลิกภาพเป็นเป็นเป็นความถนัดของหนูเลยเป็นเป็นความชํานาญที่มันออกมาในมุมนี้ไปเล ย, เยพ่อแม่ก็ไม่รู้ พ่อแม่ก็แก้ไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่รู้เหตุแต่จริงๆมันแก้ได้เพียงว่าเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเห็นฟังข้อมูลไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเดินทําปัญญาให้เกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเริ่มรู้อ๋อตายแล้วเราไปทําบุคลิกภาพเราเสียหมดเลยนี่เนี่ยตรงเนี้มันมันจะออกมาล่ะมันเวลาเราจะโกหกใครสักคนเนี่ยและคนคนนี้เราโกหกบ่อยครั้งแล้วถ้าใช้แบบมาตรฐานเดิมๆ ม, มันมันไม่เชื่อเราแล้วต้องใช้วิธีอื่น เผื่อบางทีก็ทั้งเฮ้ยมึงเชื่อกูเถอะว่าอะไสารพัดหมดเลยเอะอะโวยวายออกมาก็ได้บางทีแก้งโวยวายโวยวายโวยวายออกมาเพิ่มเแก้งโกรธบ้างบางทีก็ร้องไห้บ้างบางทีก็อะไรก็แล้วแต่มันแสดงออกมาบางทีแก้งทุบข้าวทุบของไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันจะออกมาออกมาแบบทั้งหมดเหล่านี้คือบุคลิกภาพนะกเข้านักเข้ามันจะลงล่องในความคิดนะกเข้าก็เลยกลายเป็นเป็นบุคลิกภาพที่มัน เป็นแพทเทิร์นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรูปแบบออกมาเลยจนกลายเป็นว่าเราออกจากมันไม่ได้เพราะไอ้ล่องตรงนี้มันลงไปลึกจัดแล้วมันโดดออกไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเนื้อเป็นตัวของเราขึ้นมาเลยมองเห็นไหมฉะนั้นตรงเนี้ยหนูเพิ่งอายุยี่บเอ็ดเนี่ยหนูต้องออกจากมันให้ได้ต้องออกจากมันวิธีออกคือลำดับแรกอยากออกใช่ไหมอยากจะออกจากวิธีคิดแบบนี้ไหมออมันงงเลยชีวิตมัน อยากเป็นแบบนี้ต่อไปไห ม, ไมอเอออย่างเงี้ยถ้าไม่อยากเป็นทำยังไงจะแก้จะแก้แบบไหนหนูขาดความก ล, วกล้าไม่ค่อยกล้าเผชิญกับความจริงรคำว่าไม่ค่อยกล้าเผชิญกับความจริงคือโดยมากเผชิญแบบทื่อๆ ไม่ฉลาดในการที่บูชิญไม่ใช้ปัญญาไปไปบูชิญกับปัญหาแต่ใช้ความรู้สึกไปบูชิญกับปัญหาไอ้มันต่างกันนะใช้ความรู้สึกชอบกับไม่ชอบไปบูชิญกับใช้ปัญญาเข้าไปบูชิญมันก็ละเรื่องกันเพราะปัญหามันเป็นเรื่องของปัญญาแต่หนูเนี่ยเอาใจเข้าไปรับปัญหาทุกครั้งหนูเป็นแบบนี้ไงปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใจแต่ปัญหาเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหม ในทางพระศ า, าสนาในตัวปัญหาตัวทุก์เนี่ยถ้าบาลีท่านใช้คำว่าทุกขังอริยสัจจังปริญเยยยังก็แปลว่าอะไรศัพท์นี้แปลว่าปัญหาหรือทุก์เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาเข้าไปชําระต้องใช้ปัญญาเข้าไปรู้เข้าใช้ปัญญาเข้าไปตรวจสอบใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแต่คนส่วนใหญ่พอเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วหนูเอาใจเข้าไปรับเต็มๆ เ, เลยมันก็ได้แค่ชอบกับไม่ชอบหรือไม่รู้คิดไม่ออกอย่างนึงนะ ชอบไม่ชอบถ้าชอบก็เอาตัวเองเข้าไปสอดรับเต็มที่ถ้าไม่ชอบก็พยายามจะผลักออกหนีมันหรือไม่งั้นก็ทําเป็นมึนๆงงๆกับมันไปไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงมันก็กลายเป็นสามกรณีไปนี่เรื่องใจล้วนๆเรื่องเรื่องความรู้สึกล้วนๆก็เรื่องเรื่องสัญชาตญาณล้วนๆสัญชาตญาณเนี่ยมีทั้งนั้นแหละสแตนชารานก็มีการอยู่ด้วยสัญชาตญาณไม่แปลว่าอยู่ได้โดยไม่ไม่พัฒนาแต่มนุษย์เยมีเป็นจัดที่ พิเศษได้ตรงนี้ไม่ใช่ดีนะครับว่าพิเศษเนี่ยคือต้องฝึกฝึกให้ปัญญาขึ้นมาให้ข้อมูลความรู้ฝึกทัศนคติความเห็นขึ้นมาให้ได้ปัญญานําความคิดปัญญานําความรู้สึกให้ได้ให้ความรู้สึกไปอยู่ด้านหลังแต่เอาปัญญาเข้ามารับรู้เอามาวิจัยแยกแยะว่าสิ่งนี้ปัญหาที่กําลังประเชิญอยู่เนี่ยมันมาจากอะไรฝึกเอามาวิจัยวิจัยเหตุวิจัยผลวิจัยฝึกวิจัยแบบนี้เรืเ่อย ที่สุดจริงๆมันจะเข้าไปเห็นปัญหาแล้วก็เห็นเหตุของปัญหานั้นเราจะยังแล้วทีนี้มันจะวางจุดหมายได้ว่าเออเราจะแก้ปัญหายังไงพอบอกจะวางจุดหมายจะแก้ปัญหายังไงทีงนี้มันมีรูปแบบแล้วเป็นรูปแบบที่ชารฉลาดออกมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้แก้ได้แบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้ได้แบบนี้ได้แบบไดระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไงมันจะวางปุ๊บปุบปบ๊ขึ้นมาเลย มันจะไม่ใช่เรื่องของใจแล้วมันเรื่องของปัญญาเลยเรื่องของการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆว่ามาจะเขตอะไรเมื่อไหรมันเลยสนุกสนุกกับการได้ฝ่ายรู้ตรงนี้ฝ่ายปัญญาฝใยายความจริงตรงเนี้มันกลับกลายเป็นไม่ทุกข์กับมันเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเขาจะยังมันจะเป็นคนฝ่ายรู้ฝใยายเข้าไปวิจัยแยกแยะว่าเราจะต้องรู้เหตุผลในเรื่องนี้ให้ได้มันกลับไปสนุกกับมันจากการที่ใช้ใช้ปัญญามันไม่เอาความรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็เฉย ถ้าอย่างนั้นเนะี่ยมันไม่ได้อะไรถ้าไม่ชอบถ้าชอบก็เข้าไปสอดรับไม่ชอบก็ปฏิเสธหรือปทะกับมันหรือเฉยๆก็ทําเป็นมึนๆตีมึนไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเรื่องปัญญาก็คือปัญญาเข้าไปวิจัยหาเหตุผลกับมันแล้วสนุกกับมันด้วยสนุกกับการที่จะได้เพิ่มปัญญาวิจัยทําให้ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นกลับตื่นเต้นกับมันที่ว่าได้ใช้ปัญญาเต็มที่ถ้ายัางไม่ได้หาข้อมูลถามเพื่อนถามคนที่รู้จัก หรือเข้าไปหาคนที่เขามีความรู้แค่ไหนอย่างไรโอ้มันกับการตื่นเต้นกับการที่จะได้ข้อมูลอนี้ว่าเราจะต้องปัญหาทั้งหลายมันเห็นว่าเป็ น, เ ป, นเป็นบททดสอบเป็นแบบสอบถามเป็นเป็นเหมือนเวทีใช่ไหมเวทีทดสอบศักยภาพที่จะทําให้เราได้ประสบความสำเร็จได้เพราะปัญหาเพราะอุปสรรคนี่แหละมันกลายเป็นว่ามองปั ญ, ปญหามากปัญหาน้อยได้ฝึกตนเองน้อยปัญหาปานกลางได้ฝึกปานกลางปัญหาใหญ่ได้ฝึกตนเองอย่างมาก เออมันจะประส บ, สบความสําเร็จได้เพาไอ้ปัญหานี่แหละมันกลับกลายเป็นตื่นเต้นกับการเจอปัญหาก็จะยัยอยงอันนี้พูดให้ฟังเป็นหลักการแต่วิธีการต้องไปทำํำต้องเอาไปฝึกที่จริงเจอปัญหามันเรื่องดีหรือไม่ดีอ่ะดีหรือไม่ดีเพื่เจอปัญหาดีไหมดีไหมแทคเตอร์ทําไมไม่ชอบอ่ะ ก็ น, นี่ไงใจล้วนๆไงถามว่ามันตั้งแต่เกิดเนี่ยไอตัว ส, สเปิร์มเนี่ยนะของฝ่ายชายเนี่ยแล้วมันพุ่งออกมาเนี่ยมันต้องมันมันต้องต่อสู้ไหมต่อสู้หรือเปล่ามันต้องวิ่งสุดลทิสุดเด็ดในตัวที่มันจะไปไปไปไปไปเจาะไข่เนี่ยมันต้องแข็งแรงนะ ไอ้ที่ตัวอ่อนแอเป็นไงประสบความสำเร็จไหมเรียบร้อยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วธรรมชาติของมนุษย์นี่เราไม่เอาธรรมชาติความจริงของมนุษย์เนี่ยมามาม า, มาคิดวิจัยนี่ก็อ่อนแอไม่เจอไม่เพระักลัวปัญหาเกลียดปัญหาไม่พอใจกับปัญหาพวกนี้จะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จตื่นเต้นกับปัญหาแล้วก็ ฝึกฝนพัฒนาตนเองในการที่จะไปแก้ปัญหาไปวิจัยปัญหาเห็นปัญหาเป็นแปลงจัดปัญหาเป็นปัญญาใช่ไหมแล้วก็จากปัญหาลูกประศัรด์นั้นนะเป็นเวทีทดสอบศักยภาพมันประสบความสําเร็จได้หมดเลยนะเมื่อเราเนี้จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเผชิญปัญหากันทุกวันต้องต่อสู้ทุกวันได้ซ้ําไปแต่มันต่อสู้แบบเป็นแค่สัญชาตญาณไงมันไม่ได้ตื่นตัวขึ้นมาเพื่อจะฝึกฝน ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนอังกฤษก็ต้องไปเจอปัญหาทั้งนั้นทั้งที่ปัญหาจากสังคมสิ่งแวดล้อมปัญหาจากดินฟ้าอากาศปัญหาจากผู้คนปัญหาจากการจะต้องต่อสู้ดินน้นรนทำไมคนยุโรปมันเข้มแข็งกว่าพวกเราเพราะธรรมชาติมันไม่เอือ้อสังเกตดูที่มันเหมือนบ้านเราที่ไหนแล้วทำไมพวกเรามันเฉื่อยชาไอ้ธรรมชาติมันอื้อจัดมันเลย มันเลยรักสบายพอรักสบายพอสบายขึ้นมามันก็ติดสุกพอติดสุกมันก็เฉ่ยพอเฉ่ยมันก็ไม่กระตือรือร้นทําไมเราถึงชอบเสพติดก็เพราะเราชอบสบายไงพอเสพเข้าไปมันมือนมันสบายก็เฉ่ยไม่อยากจะฝึกฝนอะไรต่อมองออกไหมลนะ่ะไอความเฉ่ยความสบายทั้งหลายมันทําให้มนุษย์มือนโง่ทําให้ไม่ฉลาดแล้วไม่ประสบความสําเร็จด้วยนี่ ทำไมต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศค่อยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเนี่ยได้เจอปัญหานั่นเองจริงๆอะ่ะให้มันเจอปัญหาแต่พวกเราไปเอาใจไปรับปัญหาบางคนกลับมาบ้าเลยรู้ไหมไอ้ไปเรียนมาจางอังกฤษเนี่ยน้องลุงเนี่ยเจอหลายคนแล้วมาเนี่ยมาติดกัญชามาแล้วไปไม่ติดกัญชาที่นั่นกัญชามัญหาง่ายเนี่ยพอกลับมาเห่อตายหายเลยกูสาส่งส่งลูกไปเรียนกลับมาติดกัญชามาเฉยนี่นี่บ้าเลยเนี่ยเพราะเขาะ้าใจยัง ไอ้บางพวกเขาติดเนี่ยติดเอชมาอเงี้ยโอ้โหตาติดกันชายพอติดติดเอชนี่ติดเพศสัมพันธ์โอ้โหขาดมันไม่ได้เลยกลับมาสั่นเ ง, งินงักเหมือนกับผีเข้าขาดมันไม่ได้ว่าไงท <c oughs> เออัศไปแทนที่จะไปฝึกไปศึกษาไปปฝึกผลกลับมากลับไปเสพติดมาพวกเรามันติดสบายเป็นเสียาหายเลยรูร้ไหม พอไปเจอร้อนหน่อยเครียดหนาวหน่อยก็เครียดเจอปัญหาหน่อยก็เครียดเจอบททดสอบยากหน่อยก็เครียดไปแบบเสร็จระบบเขาเรียนต่างจากเราเขาไม่ได้มาสอนอะไรคุณทํารายงานให้ฉันตลอดไปเหมือนกับไปเรียนเองนี่นแหละไม่มีอะไรเลยง่ายไปทํางานเองว่าง่ายไปค้นคว้าเองฝึกเองอะไรเองเขาไม่แค่จะไม่สอนเราที่ซ้ำไปเนี่ยกลับมาบโอ้โหสุดยอดเลยที่จริงบ้านเรามันไม่มีวิธีเรียนแบบนี้แค่นั้นเอง เราต้องลงซื้อต้องเสียเงินแพงๆเนี่ยเพื่อจะไปซื้อวิธีการบ้านเขาเนี่ยวิธีการระบบการศึกษาของเขาแค่นั้นเองจริงๆบ้านเรามันถ้าทําบ้านเราระบบบ้านเรามันระบบแตกๆนี่ไหมการทําวิทยาคณก็ลอกเป็นแผ่นไปแปลกๆไปมันก็ได้แล้วอยากจะได้ปริญญาตรีโทเอกง่ายนิดเดียวใช่ไหมไปดูก็กรอบข้อมูลมาฟืดๆต่อแค่นี้ได้ไปที่นั้นไม่ได้เลยไม่กูคิดเองให้คิดทั้งไปก๊อบมาก็ปัดตก คิดหัวโป่งเครียดเลยในเนี้ย น, นี่ก็กลายเป็นโรคเครียดกันเครียดกับสูบูรี่ไปสูบูรี่ก็กินเหล้าไปแล้วอยู่แค่นี้เองพอเครียดก็หาสิ่งเสพสิ่งกอบ ม, มันก็แคได้แค่ ค, ความรู้สึกมันไม่ได้อะไรปัญญาไม่ได้ก็จะยังแต่เรามันต้องเนี่ยเราต้องสังเกตว่าไปประเทศเขาทําไมเขาดิ้นล้นแถบยุโรปทำไมมันดิ้นล้นประเทศมันแคบดินฟ้าอากาศก็ไม่เอื้อแล้วแล้วสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็เป็นยังไง เขาต้องช่วยตัวเองไหมใช่ไหมเล่าเขาเหมือนบ้านเราไหมเล่าบ้านเราพอแก่ตัวไปพ่อแม่ลูกก็เลี้ยงดูมีแบบนี้ไหมไม่มีเลยสภาพสังคมเ็าไม่มีเลยฉะนั้นเวลาไปเนี่ยเราต้องไปศึกษาเรียนรู้แลวเราต้องดูจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเขาคืออะไรจุดอ่อนคืออะไร <c oughs> แต่ว่าอะไรเนี่ยหนึ่งรู้ข้อดี รู้ข้อด้อยแล้วก็รู้ทางออกยังไถ้ารู้สามทางเนี่ยมันจะเอาตัวรอดนะทีนี้ถ้าหนูอะไรคือข้อดีของเราไม่รู้อะไรข้อด้อยไม่รู้อะไรคือทางออกไม่ทราบนี่ น, นี่นี่ยุ่งแล้วนะทีนี้เอาลงมาสรุปประเด็นหน่อยที่ว่าสังคมไทยเราเนี่ยข้อดีคืออะไรอันในครอบครัวเราเลยอ่ะข้อดีคืออะไร เออใช่ไหมดูแลกันรักกันข้อด้อยคือฮะมันแปลกังไงรักกันแล้วห่างกัน <c oughs> อย่ น, นี้พูดมันก็ทุกวันนี้เราความสุขของเราอยู่ตรงไหนหนูความสุขของหนูอยู่ตรงไหนหนูต้องไล่ความสุขให้ ล, ง ล, งลงุงลงฟัง อะไรคือความสุขของหนูเฟิร์นบอกมนดิได้กินอาหารอร่อยมีความสุขได้เที่ยวมีความสุขได้อยู่กับที่ที่ใครไม่บ่นเรามีความสุขใช่ไหมหนั่นหนูความสุขหนูคืออะไระดีหรือไม่ดีที่อยากทำเลืออะไรบางความดีที่หนูทำ ้องเล่านึกดีนึกนึกดีให้สามข้อนกให้ลงุงลงฟังสามข้อดิจุดเด่นของหนูอะสามข้อมีอะไรบ้างไม่ต้องมองคนอื่นเนี่ยคิดเองก็รู้นี่ทำมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วตั้งใจทำงา น, งงานสอ ง, งดูแลพ่อแม่สามรักตัวเองอยังไงที่ว่ารักตัวเองเวลา กินอาหารเนี่ยอาหารที่เราชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหนูกินอาหารเป็นแบบไหนที่ไม่ชอบใช่ไหมโอ้หนูทำ่างนั้นตลอดเลยดิ <c oughs> ไม่ใช่เอาความรู้เอาเอาเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาชีวิตจริงๆที่หนูเป็น เสื้อผ้าเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่มันชอบมันโกมันเทอันเนี้ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามันเหมาะแก่สภาพร่างกายเหมาะแก่บุคลิกภาพมันเหมาะแก่การสวมใส่แล้วมันรู้สึกมันได้สปายาส ก, กับการใส่แต่เราไม่ชอบได้มากเลยซื้อแบบไห น, นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รักตัวเองเหมือนกันเข้าใจยังไงรักตัวเองหนูก็รักไปถูกเลยทั้งนี้นี่นี่ที่เห็นเข้าใจยังเห็นไหมว่า เออจริงๆที่ว่ารักตัวเองเนี่ยจริงๆเราก็รักไม่จริงจุดเด่นของหนูสามข้อมีอะไรบ้างมีมีความดีไหมความดีสามข้ออ้าวอ้าว้วอะไรเอาที่มันดีที่สุดนะอก็อย่าคิดนานดิดเวลาเนี่ยจะหมดเวลาเลย ความดีแค่สามข้อคิดให้ออกเนี่ยหนึ่งช่วยช่วยพ่อแม่ทำงานสองสองสองเนี่ยเนี่ยตั้งใจเรียนเนี่ยเนี่น<อ>ไม่ใช่เป็นถือความภูมิใจของเราเลยใช่ไหมความตั้งใจเรียนกับการช่วยพ่อแม่ทำงานเนี่ยอันสามอ่ะ แปลกไหบางคนคิดถึงความดีตัวเองแค่สามข้อคิดยากเนาะจะเป็นฉันฉันตอบปุ๊บ๊ปุ๊บเลยนเนี่ยฉันฉันรู้ว่าฉันํารดาดีอะไรบางย่งไหมขน น, น, นี้นี่ขนาดคิดรออร ย, ย่งเงยคิดไม่ออกเลยเนี่ยขนาดคิดรอคิดไม่ออกเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเอาอีกข้อถ้งั้นเดยย้อนกลับหน่อยคิดสิ่งที่ไม่ดีตัวเองนะหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวลองอย ความไม่ดีอ่ะอ่ากินเหล้าสซบุเรียสองาาการพนันเป็นกลุ่มไหนพนันเนี่ยเล่นไพ่ใช่ไหมไฮโลด้วยวะ<า>อ๋อเล่นไพ่<า>เล่นแล้วลได้เสียเยอะไห ม, <า>มประมาณเท่าไหร่มากที่สุดเล่นเสีย<า>ๆๆเสียโอ้โหทีเป็นเหตุแห่งความวิบัติเลยนะ โอ้โหนี่ยสามอืมอืมได้เนลาแล้วครับตรงนี้อย่าไปจ้องฟังเขาสิอ่าให้เขาบอกลงลงเองนะอ๋อที่มันรู้สึกมันหนักที่สุดที่เราอยากจะบอกอ่ะอ ะ, อะไรเล่ ล่ะอะไรกันอลองลงมาหน่อยเที่ยวบาร์เที่ยวขับใ ช, ใช้จ่ายเงินพุ่มเฟื่อย ถ้าถ้าในกรณีอนี้เราจะสังเกตดูนะว่าทําไมทําไมเขาสูบบุหรีกินเล้ามันยิงกันกับการพนันเวลาเล่นไพ่เนี่ยมันมันมันจะเครียดง่ายมันจะรุ้นมันจะเครียดแตการพนันเนี้ยใช่ไหมกลุ่มบุหรีกลุ่มเหล้าทั้งหลายอลไรเนี่ยมันมันจะมีว่าเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาท เกิดโรคถูกถูกตีเตียนและปัญญาของหนูจะค่อยๆดับลงด้วยไอ้เนี้ยด้วยเหล้ากับบือปีปัญญามันจะค่อยๆดับลงดับลงถ้าถ้าอายุถึงสามสิบเนี่ยหมดเลยเนะี่ยปัญญามันจะในปัจจุบันยังยังโลดแล่นอยู่เพราะมีเหล้ากระบือกระตุน้นกระตุ้นหน่อยแต่มันจะถูกครอบงำไปเรืเ่อยๆพออายุสักสาสบเนี่ยหนูหมดเลยมันจะคิดได้แต่อดีตกับปัจจุบันไปอนาคตมองไม่ออกมองอะไรไม่ออกเลย ที่จริงเป็นคนเอศกยภาพหนูมันโอเคมันเนี่ยแต่บังเอิญมันไปไปใส่ข้อมูลผิดแต่ถ้าลองดันไปเรื่อยๆนะลุงๆให้ข้อคิดว่าหนูอัดไปเลยนะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ไปเนี่ยอัดแค่สามสิบอายุแค่สามสิบไปไม่เป็นเลยแล้วการพนันหนูจะเดินออกจากมันไม่ได้แล้วมีอะไรน่จะหมดเลยอ่าเพราะอะไรดูจากเส้นลายมือ หนูไม่เคยเก็บทรัพย์อะไรอยู่เลยไม่อยู่เลยมันมันมันมันมันสุรุ่ยสุ้รายมากเลยเนี่ยความคิดลักอย่างเงี้ยวิบัติหมดเลยมีทรัพย์เท่าไหร่ก็หมดอบุคลิกภาพไอ้กระบวนการความคิดมันจะออกที่ลายมือออกที่ทั้งหมดถ้าความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนลายมือเปลี่ยน มันเปลี speaker, ่ยนตัวมาเองตลอดลายมือไม่ใช่เป็นตัวกํากับชะตาชีวิตของมนุษย์นะลายมือมันไม่ใช่เป็นเป็นตัวกํากับชะตาชีวิตของมนุษย์เนืแต่ความคิดการกระทําของมนุษย์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนลายมือตลอดเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกภาพตลอดดวงดาวบนท้องฟ้าอะไรทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่มีอิทธิพลในการที่จะมากํากับชะตาชีวิตของมนุษย์แต่การกระทําของมนุษย์เนี่ยมันไปเปลี่ยน ทำให้โซนชั้นบรรยากาศทําให้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยเห็นไหมมันไปจากจุดตรงนี้เลยอ่ะจริงศักยภาพมันีเยอะมันเอาไปในทางดีมันทําได้ดีอย่างมากเลยเกื้อกูลตในทางกลับกันนะถ้าหนูพลิกกลับมันจะมันจะมันจะเป็นเหตุในการเดือดร้อนอีกเยอะมากทำตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือสภาพสังคมสิ่งว่าให้เดือดร้อนอีกเยอะเลยเนี่ยใช้ศักยภาพไปในทางที่ทางลบที่จริงใช้ทางบวกก็ได้ แต่ว่ามันจะมันจะได้ระดับหนึ่งระดับแค่อย่างที่บอกอ่ะปัญญาหนูเนี่ยมันโลดแล่นอยู่ตอนเนี้ขนาดเอาเล่าบุหรี่อัดมันขนาดนี้มันยังดีพอสมควรนะถ้าเราไม่อัดมันจะไปอีกมุมหนึ่งมันจะพีคไปอีกมุมนึงเลยแต่ถ้าหากว่าไปอย่างเงี้ยประมาณอีกเก้าปีดูจากเส้นลายมืออีกเก้าปีดับเลยไปหรือไปไม่เป็นเลยทีนี้แล้วก็แล้วชีวิตจะพกพันไปอีกมุมหนึ่งแต่มันกลับได้ มันกลับได้ถ้าพูดจนนั่นๆก็คือว่าเออมันมันได้ลองมาแล้วแต่อย่ามันกับมันเนียถ้ามันแล้วโอ้โหมันไม่หยุดเพราะแล้วนักเข้านะครับเพราะล่องมันลึกมันเหมือนขุดดินอ่ะขุดขุดขดขดขุดแล้วมันนับมันสนุกไงขุดแล้วดินออกทีินออกรู้ตัวไอทีขึ้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้มันขุดมาครึ่งตัวแล้วไปครึ่งตัวแล้วถ้าขุดไปเรื่อยเรืรเรยหนัเข้าเพลินเนี่ยมันมันไง ขุดแล้วโวทั้งเสียงเชียร์เสียงชมไม่เก่งเว้ยเฮ้ยเก่งเว้ยเฮ้ยวียงก็ดิ้นออกเวียงเวียงออกนะเขาเฮ้ยจิ๋หายมิดแล้วเว้ยเนี่ยขึ้นไม่ได้เขาจะยังขึ้นจากหลุมนั้นไม่ได้นี่คือคื อ, ค, อคือปัญหาของของแท็กเตอร์มันเจอกันน้อยแต่บอกให้รู้อยากทําอยากเป็นอะไรก็ทําเอาไม่ปัญหาพระไม่ได้ไปซีเลียดซีเลียดก็เรื่องที่จะวิบัติก็ได้จะประสบความสําเร็จก็ได้แต่ถ้าถ้าไปมุมเนี้ยเรียบร้อย มุมการพ น, นันมุมเที่ยวเตเนี่ยนะแล้วก็มุมสารเสจติบพวกนี้เราบุรีลุยไปเลยนะไม่เกินสามสิบขึ้นไม่ออกไม่ได้ออกไม่ได้จริงๆเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งสังเกตดูลายมือหนูสามเส้นเนี่ยมันจะปิดปดปิดปด ป, ดปดไม่ติดกันเลยบ่งบอกอะไร บงบอกไม่เหลือก็ใจเยี่ยมมีไม่เหลืออและอีกเส้นกลางเนี่ยบองบอกอะไรบงบอกกับความเห็นตอนนี้ความเห็นมันยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ไปอีกระยะหนึ่งนะมันจะต้องเป๊้เลยแข็งทื่อเลยตอนนี้ยฟังคนอื่นยากแล้วแต่ตอนนี้ยังฟังอยู่ไปสักอีกระยะหนึ่ง เกีย่ยวประสบการณ์ไปเยอะๆๆทั้งดีทั้งชั่วเนะ่ยนเข้าถ้ามันจะไปชั่วมันชั่วเลยในนี้ไม่สนแล้วพังโอกาสพังสูงแต่ว่าถ้าไปทางดีมันจะไปอีกมุมหนึ่งเลยเนะนี่ก็บอกไว้แต่ว่าหนูจะเดินเส้นไหนเลือกเองไม่บอกแต่บอกให้รู้ว่าไปอย่างเงี้ยเป็นยังไงไปอย่างงี้ไปอย่างเงแต่หนูอยากเดินยังไงตามสบายอิสระเสรีภาพ ไม่บังคับแต่ชี้ให้เห็นว่าเออมันจะเจอไงฉันเจอคนมาเยอะทั้งล้มเหลวและสมหวังผิดหวังสมหวังเห็นมาเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นมาเยอะก็เหมือนบอกหนูเนี่ยหนูจะทําเหมือนเดิมก็ได้ถ้าทําเหมือนเดิมมันบุคลิกภาพจะออกมุมแล้วจะออกออกมากกว่านี้ีจะออกมากกว่านี้อีกหรือจะเฮ้ยไม่ได้เลยเปลี่ยนกระทันหัน180ร้อยแปดสิบองศาหมุนกลับก็ได้แล้วมันจะเป็นอีกคนหนึ่งจริง รู้รู้ต้องหาที่ปรึกษาที่ดีนิดอาจจะทัด จ, จะปรึกษาได้บ่าเจ้านี้จะตัวรอดหรือว่าก็ยังไม่รู้ร <laughs> ใช่ไหก็นี้ก็ได้ในติดต่อหลวงพี่เอกรับมีลายมีอะไรต่างก็หาข้อมูลนี่เขาเก่งด้านให้ข้อมูลเด็กหรือวัยรุ่นเขาก็คือรู้รู้กระแสความเป็นไปของโลกและชีวิตชัดเพราะผ่านผ่านมาพอสมควร ก็ติดต่อทางไลน์ทางไลน์กับพระแล้วก็สอบถามรายละเอียดท่านได้ถ้าอย่างฉันเองจะนไม่มีเวลาถ้าอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะมีเวลาให้ให้กับพวกหนูๆได้สอบถามรายละเอียดแล้วก็มีเวลาก็มาศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลได้ได้เพราะว่าท่านจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่มองโลกกระทัดได้ดีกว่าลุงลงคำว่าดีกว่าเนี่ยลุงลงจะสุดตรดไปทางธรรมะอย่างเดียว นี่การมองทางโลกได้ได้ได้ไดไดชัดเรียกอย่างนี้โลกฐานก็จะกว้างกว่านี่ก็หาที่ปรึกษาแบบเนี้ยเพราะคนที่จะประสบความสําเร็จในโลกเนี้ยที่ปรึกษาตังเกตดูดินักฟุตบอล น, นักมวยนักกีฬาทุกประเภทแม้แต่คนทำด้านเศรษฐกิจทำไอ้ด้านลงทุนพวกนี้ที่ปรึกษาพวกเรา เรียนเนี่ยประสบความสําเร็จได้ก็ดูที่ปรึกษาพวก ก, กลุ่มครูเนี่ยแต่โดยมากเห็นสังเกตถึงไหมถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่ได้สอนเรื่องส่วนตัวเราหรอกวิธีคิดของเราหรอกมันสอนเรื่องวิชาการที่มันจะมันจะให้ข้อมูลแค่ด้านวิชาการทักษะที่เราจะได้ได้แค่นั้นเองแต่การคิดผิดถูกดีชั่วเราต้องมาเราต้องมีของเราเป็นตัวกํากับ ที่เราจะทําแบบเบียดเบียนตนหรือว่าส่งเสริมตัวเองยังไงพอมองไหมหนูมีจุดด้อยเลยมมีไหมจุดไม่ดีในตัวหนูเหมือนแท็เตอร์เนี่ยก็จุดไม่ดีก็เยอะหนูมีไหมจุดไม่ดีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วรู้สึก อ๋อก็งุดหงิดใช่ไหมเพราะอะไร<ม>แล้วเพื่อนเห็นไงั้นไหมว่าเขาไอ้เจ้าเบนเขาหัวเสียง่ายงั้นจริงป่ะเขาหัวเสียคืองุดหงิดใช่ไหมโกรธง่ายงุดหงิดง่า ย, ายเอาแต่ใจตัวเอ ง, เ, องเป็นคนมองโลกทัศน์แบบเชิงลบมีทัศนคติแบบติดลบงั้นว่ะ ชอบชอบเอาเรื่องไม่ดีมาหมุนคิดปั่นหมุนหมุนหมุนหมุนปะทุศร้ายตัวเองแบบนี้วะใครว่าอะไรไม่ดีสักครั้งเดียวก็เอามาหมุนทำร้ายตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมชอบน้อยเนื้อตามใจพ่อบางแม่บงังหรือคนรอบข้างบ้างคนที่เป็นเพื่อนบ้างชอบเอาเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาคิดเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นจุดจุดได้อของเราใช่ไหมยอยากออกจากมันไหม อาจจะ ด, ดูเปนเงนอะไรข้อดีของหนูอะไรบ้างาโกรธง่ายเนาะแล้วก็ที่จุดเด่นอะไรจุดเด่นคืออะไรยังไงแต่ในใจไม่อยากเรียนแต่ตั้งใจเรียนแล้วอยากให้แม่ชมนี่ป่ะอยากให้แม่ไม่ผิดหวังไม่อยากให้แม่ผิดหวังใจรักไม่เวลาเรียน มีความสุขจากการเรียนไหมเออนี ờ, í, ่ก็ค uh, well, ือฝืนเขาเรียกฝืนทำเป็นกันเต็มหมดอย่างเงี้ยเจมั้ยเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วหนูอะข้อแย่อะไรข้อแย่อะไรอ่าแล้วแย่ลองมา เออเอานเนี้ยนะที่จะพูดอีกเรื่องหนึ่งเวลาโกหกเรื่อยๆเนี่ยหนูจะมีปัญหาเรื่องปากเรื่องฟันคนที่โกหกเนี่ยมันจะส่งผลที่ฟันด้วยฟันจะไม่สามารถขีดกันฟันจะห่างบางฟันจะเกบบางฟันก็จะอันนี้เป็นผลของของของกรรมโกหกมันจะให้ผลที่ปากที่จมูกที่ตาแล้วก็ที่บุคลิกภาพ มันจะเป็นเดี่ยวนั้นเลยมันจะเป็นมาเรื่อยๆรืๆืๆืๆเื่เเมากขึ้นมามันจะออกมาจนเป็นบุคลิกภาพจนใครเห็นรู้สึกไม่น่าเชื่อไม่อยากคนคนนี้พูดไ่จริงมันมันจะออกมาจนจนเขาก็เอะใจเหมือนกันแค่เห็นนะแต่เขาไม่รู้ไงไม่รู้เหตุแต่ถ้าคนศึกษาตรงนี้มาดีก็จะรู้อ๋อเหตุเพราะอะไรที่ลองจะโกหกมีอะไรบ้างไม่ดีเป็นไงการพ น, นันเคยเล่นแบบเสียมากมักไหม เยอะเท่ากับอันนี้หหลักหมื่นไม่ใช่หลักแสน <c oughs> น, นูนีห่หลักล้านเลยเลยแล้วมันติดหรือยังตอนนี้ติดไหมพ่าะอะไรถึงออกมันจังเันได้ปกติมันออกยากเนาะ อ๋อเข้าใจเข้าใจจะไปนั้นก็สนุกมึงเองเลยก็ไม่เป็นไรถ้าอยากจะอยากเจ๊งไม่มีใครประสบการสาเร็จในชีวิตฉันรู้จักขนาดคนเจ้าของบ่อนเลยเนมีด็อกเตอร์คนหนึงเป็นเจ้าของบ่อนไม่เปิดต่างประเทศเปิดแรงต่างรู้จักกับน ทราบที่ได้มาก็วิบัติวิบัติหมดโดนโกงโดนอะไรสารพัดฉันรู้จักสนิทเดยซ้ำไปฉันยังรู้เส้นทางหนึ่งรู้เหตุผลของกรรมของผลของกรรมสองเห็นตัวอย่างเยอะแยะเห็นจนเอียนเลยกับตัวอย่างแบบนี้เลยนึกโอ้โหนี่มันมึนงงงกันอยู่แค่นี้ชีวิตเลยแล้วก็เช่าเอาตัวเองไปจมปักอะไรเรื่องพวกนี้ฉันเห็นหมดเลยตัวอย่างพวกนี้จนจนเห็นจนขนาดไหนตอนเนี้ยเห็นจนมองคนเนี่ยรู้เลย มองปุ๊บเนี่ยเออเนี่ยมันว่าว่าเป็นยังไงยังไงมันมองมันอ่านได้ขนาดนั้นเลยตอนนี้พอมันเห็นเยอะจกักเข้าใจใช่ไหมเห็นแล้วก็รู้ช่องทางการทําเหตุแบบเนี้ยผลมันคืออะไรตามมาเห็นการทําเหตุของหนูปุ๊บก็รู้เลยอนาคตจะเป็นยังไงมันเห็นขนาดนั้นอย่างกรณีเดี๋ยวออกมุมอีกมุมนึงเดี๋ยวจะหมดเวลามุมที่เครียดง่ายโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายซึ่งพวกหนูเป็นกันทั้งนั้น อาการแบบเนี้ไอ้ไวเนี่ยจะเป็นมากอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ไม่สุขไม่มีไม่สนุกไม่สุขมันเ ร, เรื่องขัดเคืองตลอดเนี่ยอยู่กับเพื่อนมันก็ได้ดีหน่อยคืออยู่กับเพื่อนหน่อยมันรู้สึกมันสบายใจหน่อยแค่นั้นเองที่เพื่อนไม่ขัดใจเราทาอะไรกันก็ได้เอะอาเฮียฮากันอะไรต่างต่างเนี้เพราะเพื่อนก็ไม่มาลวงล้ำสิทธิของเราไม่มากำกับอะไรเราไม่เหมือนพ่อแม่ ไม่เหมือนคนที่เราไปเกี่ยวข้องชอบกำกับชอบบงการชะตาชีวิตเราเราก็เลยเครียดเลยก้มเลยทุกเนี่ยชีวิตหนูก็จะคิดกันแค่มุมแบบนี้จ ร, จ, รจริงไหมจริงจริงไหมแต่ถ้าหากว่าเขาปล่อยเราแล้วแล้วก็ทุกข์อีกนะโอ้ยไม่ไม่บอกเราบ้างเลยไม่ใส่ใจเราบ้างเลยมันกลับมุมเป็นงั้นไ ป, ไปมาหนูก็งงกับตัวเองใช่ไหมสังเกตดูนะว่าเขากำกับ ไม่ชอบถ้าไมกํากับเลยเอ้าไม่ชอบอีกรองที่ถ้าเร า, เาปล่อยเราจริงๆเราก็ไปใหญ่เลยในนี้เราก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นมมลักษณะแบบนี้เพราะอะไรเอเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ความอยากความอยากของหนูเนี่ยตอนนี้หนูกำลังเล่นกับความต้องการอยู่ความความต้องการไอ้เรียกเรียกความอยากเนี่ยเราอยากให้เป็นอย่างนั้น ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หนูกําลังเล่นกับมันอยู่ตัวเนี้ยไอ้ถูกตัวเนี้มันผักอยู่และไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนตัวมันเองมันเปลี่ยนความต้องการมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนอารมณ์มันเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆทั้งหลายมันเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยไอ้นี้พ่อแม่ก็อยู่กับความต้องการเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็อยากจะต้องการไอ้ความต้องการแต่ความต้องการเวลามปะทากันขึ้นมาก็ไปมั่วเลยทีนมันก็มันก็ทกมันก็เครียดมองออกไหม ทีนี้เราจะทำยังไงที่เราจะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกหนูครับว่าหนูจะทำยังไงที่จะทำให้หนูเรียนแล้วมันมีความสุขเออใช่ไหมหนูเรียนหนูทากิจกรรมของชีวิตดาเนินชีวิตแล้วมันได้ความสุขซึ่งหนูหามันอยู่ใช่ไหมตอนนี้อยากได้มันนะอยากได้ไหมอยากได้ความสุขในชีวิตหลนะ่ะ แต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช่ไหมอืมอะไรมันทำให้เราไม่สุขก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่าจริงๆคืออย่างนี้บางทีเนี่ยไอความต้องการของเราเนี่ยถ้ามันเอาความต้องการของตัวเราเองที่เราอยากจะทำอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยไอความอยากด้วยที่นี้กับการที่เราไปต้องการอยากให้คนอื่นเขาเป็นยังไงก็ไ้ เราเราสามารถละมันได้ไหมคําว่าละในที่นี้หมายความว่าเอ อ, อย่าไปอยากให้คนอื่นเขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นทําได้ไหมเช่นเราอยากให้พ่อเป็นอย่างนั้นอยากให้แม่เป็นอย่างนี้ทําได้ไหมพ่ออะไรเราวางก่อนได้ไหมวางความต้องการก่อนได้ไหมเอาความต้องการอะวางวางลงไว้ก่อนแล้วก็ ลองพิจรารณานิ่งๆนะนิ่งๆลองพิจรารณาดูความจริงที่พ่อแม่ก็เป็น ouais หรือปู่ตายายายหรือลุงหรือเพื่อนเอ้ยเอางี้เวลาเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราเคยบังคับไหมอยากให้เพื่อนเป็นอย่างนั้นนี่บังคับทำไมเราไม่บังคับเอ๊ะงั้นถ้างั้น เอาความคิดแบบนี้ไปคิดกับพ่อแม่ได้ไหมถ้าหนูอยากได้ความสุขนี่เพราะหนูคิดแบบนี้กับเพื่อนแล้วหนูได้ ค, ดความสุขนี่ใช่ไหมคือไม่ให้ความอยากมามาครอบงำเราแล้วก็ไปอยากให้พ่อแม่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้คือลดลดความต้องการนี่เหมือนเรามองพ่อแม่เหมือนมองเพือพ่อนไปเลยได้ไหมก็เพื่อนมันก็เป็นมันอย่างนี้แหละอย่าไอเจ้านี้ขี้โกรธมันก็ขี้โกรมันอย่างเงี้ยเราก็รู้ไหมไอเจ้านี้มันเป็นยังไงก็เข้าใจมันอย่างเงี้ย หรือเนี้ยท่านไอ้รุยเจ้าแท็กเตอร์มันนิสัยยังไงก็เขาไม่ไม่เคยไปก้าวไกลเพื่อนนะใช่ไหมทําไมบอกเขาอีฮามึทงทํานี้ได้ไงวะมึงไปเสียาการพนันขนาดนี้ได้ยังไงทําไมทําตัวอย่างนี้ไปเที่ยวเต่งเงี้ยใช้ไม่ได้นะไปสูบบุหรี่กินเหล้าเงี้ยเคยเพื่อนเคยด่าเงี้ยไหมเพราะอะไรไม่ใช่คือหลักการก็คือเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเวลาเขาคิดกับเพื่อนเงนี้ย เขาคิดโดยชนิดที่เขาไม่เอาความต้องการไม่ต้องการไปควบคุมหรือกากับหรืออยากให้เป็นอย่างนน้นอย่างนี้ยอมรับในสิ่งที่เพื่อนเป็นที่จะพูดให้ฟังก็คือว่ายอมรับในสิ่งที่พ่อแม่เป็นได้ไหมได้ไหมมัม้ยมีมันไม่ต้องพยายามนี่เวลาอยู่กับเพื่อนอื่นอดไหมเพราะอะไร เพราะว่าเขายอมรับในสิ <Yeah. S 2> coaching, die, ่งท <them> okay. hmm. right? ี <con ver te an> okay. First, all, like, like. ่เขาเป็นไงเขางงเงงงงเงงงงเงีจุกจิกจุกจิกจุกจิกเคยงุดหงิดเขาไหมแต่ก็ไม่เคยไปทุกข์ใจกับเขามากมายอะไรเลยใช่ไหมก็ยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วยอมรับพ่อแม่ได้ไหมถ้าเขาเขาเป็นเขาอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เขาเลือกยอมรับแต่ยอมจำนนไม่ใช่คนละอย่างคนคนไม่เหมือนกันนะยอมรับในสิ่งที่ท่านเป็นก่อนที่จะพูดต่อถ้าตรงเนี้ยมัน ถ้าตรงนี้ยังวางท่าทีทางใจตรงนี้ไม่ได้เราจะพัฒนาความคิดอื่นไปอีกไม่ได้เราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะเข้าใจยังอันดับแรกก็คือเนี่ยยอมรับในสิ่งที่ท่านเป็นได้ไดหมล่ะถ้าไม่ได้เราจะถ้าได้เราจะพูดเรื่องต่อไปได้ถ้าไม่ได้ต่อไม่ได้เราอยู่แค่นี้ชีวิตเราก็จมอยู่กันแค่นี้เองได้ไหมถ้าได้จะจะพูดอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังคืออย่างนี้เวลาเราคบกันกับเพื่อนเนี่ย เรารู้สึกว่าเรารักเพื่อนแล้วก็รักในสิ่งที่เพื่อนเป็นที่เพื่อนชั่วเราก็ยังรักมันเลยตรงๆเลยนะมันมันชั่วเลยนะมันเที่ยวกินเหล้าเสพกามทเที่ยวเตเฮะเผ่อๆโกห ก, แ ล, กแล้วก็รักมันรักรักในสิ่งที่มันเป็นยังไงก็ให้เพื่อนกูไว้เพื่อนกูเว้ อาจจะเตือนนิดๆหน่อยๆว่าเฮ้ยนี่ๆหน่อ ย, ย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอยแต่ไม่กล้าล่วงล้ำไปเตือนเตือนเฮ้ยทำมึงทำอย่างนี้กูเลิกคบกันเคยไหมเห็นไหมนี่เพราะอะไรเนี่ยเพราะเรายอมรับในสิ่งที่เพื่อนเป็นและไอาการที่ยอมรับในสิ่งที่เพื่อนเป็นเวลาเตือนกันปุ๊บมันฟังเขงเกตดูนะเออมันจะฟังแต่ถ้าเราไม่ยอมรับไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็น เ, นเตือนกันเขาไม่ฟัง นั่จะแปลกว่าทําไมเราเราจึงคุยกับพ่อแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอันดับแรกมันก็คันในใจแล้วเราไม่ยอมรับในสิ่งที่ท่านเป็นแต่เราอยากให้ท่านเป็นอย่างที่เราต้องการก็ไม่ต่างอะไรกับที่เขาก็ไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเหมือนกันและเขาก็ทุกพ่อแม่ก็ทุกในสิ่งที่เราเป็นและไม่อยากให้เราเป็นอย่างที่ที่เขาอยากเหมือนกัน สรุปแล้วก็คือทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันเหมือนเพื่อนถ้าเราเกี่ยวข้องกันกับพ่อแม่เหมือนเพื่อนดิพ่อแม่ขี้บ่นจุกจิกจู้จี้ชอบตำหนิชอบอะไรต่างก็แล้วแตออ่ท่านเป็นต้นท่าน น, า น, านี้เข้าใจก่อนพอเข้าใจเบีเสร็จปุ๊บก็แม่หนูรักแม่นะ ถึงแม่จะเป็นนี่ก็รักในสิ่งที่แม่เป็นเออรักนะเนี่ยรักในสิ่งที่แม่เป็นแบบนี้รักในสิ่งที่พ่อเป็นแบบนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นแม่ชอบเล่นไพ่สมมุตินะชอบเล่นการพนันแล้วก็บอกว่าแล้วก็รักนะเพราะแม่เออพอเราใจเรามันมันวางแบบนี้เนะียไอ้ความทุกข์มันหายเลยอะ ไอความที่อึดอัดคับข้องเนี่ยมันหายไปเลยนะมันต้องต้องวางใจจนถึงโอ้เรายอมรับเหมือนเหมือนว่าเหมือนเรามองกับเพื่อนเนี่แหละเนี่ยข้าเนี่ยแม่จะไปเล่นการพนันจะไปเที่ยวเตะจะไปกินเหล้าเมายาเออยอมรับยอมรับก่อนนะแต่ไม่ใช่ไปยอมจำน้นว่าต้องให้แม่เป็นอย่างนี้เท่านั้นที่พอมันคลายตัวนี้ได้แล้วมันมันมันข้าไปอีกระดับหนึ่งเราเริ่มมีปฏิกิริยากับแม่ต่างจากเดิมจะอยากกับพ่อต่างจากเดิมเขา้าใจยัง การเข้าไปหาไปคุยไม่มีปัญหาเหมือนคุยกับเพื่อนแล้วการเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนมันโอเคท่านก็เป็นท่านนี้ไปตั้งนานแล้วน่ะเข้านะเข้ามันจะเข้าไปใกล้กันชิดอีกระดับหนึ่งพอมันมันมันเริ่มกระเถิบความรู้สึกมันมันชิดกันแล้วแต่เนี้ยเออท่านก็บอกเออไอ้นี้มันไม่ว่ากูแล้วเว้ยมันไม่งอนกูแล้วมันไม่โกรธกูไม่ทําหน้าบึ้งไม่ประชดประชันเออมันเบาใจอย่างแต่เนี้ยพ่อเหมือนได้ได้ลูกมาเป็นเป็นพวกแล้ว ไอ้ตรงเนี้ยหนูหนูก้าวข้ามมันไม่ได้ไงถ้าก้าวข้ามตรงนี้ได้มันจะเข้าไปอยู่ในใน ใ, ในใจอีกระดับหนึ่งทีนี้คนเราเนี่ยเวลามันไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันเริ่มจะพูดได้บ้างถ้าเราเราเข้าใจเหตุผลนมันเริ่มจะบอกเหตุบอกผลกันบางครัง้งบางคราวได้เนี่ยมันเริ่มใกล้ชิดมองเห็นหรือยังพอพอเข้าใจอยังทีนี้ถ้าจนเขารู้สึกว่ารักนี่เหมือนเพื่อนที่รักกันจริงๆ สมมติรักกันแบบเหมือนถ้าตายแทนกันได้มันเห็นใจกันขนาดนั้นจะเอาอะไรก็ได้จะบอกอะไรก็ได้ถ้าถึงเวลานั้นทีนี้เขาเรายังไม่สามารถเข้าไปนั่งในใจพ่อแม่ได้ขนาดนั้นมันมีคนหนึ่งจะเล่าอยกเป่าเป็นลูกน้องกัเจ้านายในทุกวันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาที่แรกก็กดดันกันอย่างรู้แรงมาอยู่คราวนึงก็คือไอ้เจ้าเนี้มันมันแลกด้วยใจเลย มันมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เอาเอ า, เอาตัวมันเองเข้าไปไปไปไปไปไปแลกแทนไอ้เจ้านายเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันไปเลยสองคนเนี่ยกินเหล้าด้วยกันส่งบุหรี่ด้วยกันทั้งทั้งที่ลูกน้องก็นายคนคนลดด้วยเป็นคนลดพูดบริหารระดับสูงด้วยเนี่ยนัเข้านัเข้าเนี่ยทําตัวเป็นต่อหน้าคนอื่นก็คือเจ้านายลูกน้องลับหลังกับเพื่อนกันนัเข้านัเข้าเนี่ย พออีกคนหนึ่งมาได้รับข้อมูลสิ่งดีๆเขาก็เลิกบุหรี่เลิกเหล้ากันทั้งทั้งเจ้านายและลูกน้องเห็นไหมเนี่ยมันกลับการจูงกันไปในทางที่ดีได้เพราะอะไรเพราะยอมรับเอเราขาดตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าตั้งตั้งธงในใจตลอดใช่ไหมว่าเราไม่อยากให้เป็นแล้วก็ไม่อยากคุยไม่อยากแล้วก็อยากเห็นอยากจะประชดพ่อแม่ไปเรื่อยเรื่ย เป็นไหมล่ะยากไหมสามารถเข้าไปเข้าไปมองหรือวางท่าทีทางใจมองพ่อแม่เป็นเหมือนเพื่อนเนี่ยทำยากไหมเป็นไหมคิดว่ายากไหมยากตรงไหนทัดยากไหมเห็นมันไม่ยากมันทำได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้แล้วทำไมกับเพื่อนเราทำได้ไม่ต่างเลยใช่ไหม ก็มองแบบเนี้ยมองลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามีปฏิกิริยาเราเราอ่อนก่อนเรามีปฏิกิริยาที่ไม่เครียดไม่ไม่วิตกไม่ทุกข์แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นท่านจะด่าจะว่าะอะไรต่างก็เยี่ยมแย้มแจ่มใสไม่ทุกข์แล้วเดีเนี้ยเหมือนเพื่อนด่าแล้วเหมือนเพื่อนด่าแล้วแลแ้วตอนนี้เราเราเราเปลี่ยนตัวเราเองเยอะเลยเดี๋ยวนี้ยเหมือนกรณีถามว่าเรียนเนี่ยถ้าถามว่า เราอยากเรียนจบเออเราอยากจบแต่เราไม่อยากเรียนนี่เป็นเป็นเป็นความอยากที่เขาเรียกตัณหานะแต่ถ้าบอกว่าเราอยากเรียนจบด้วยเราอยากรู้ด้วยแล้วเราอยากทําให้มันดีด้วยโหนี่ใจมีความสุขมากเลยนะมันเป็นความอยากเหมือนกันนะแต่เพียงว่าอยากทําให้มันดีอยากจะรู้ใฝ่รู้อยากจะ เข้าใจแล้วก็อยากจะทำให้มันดีแล้วมันมีความสุขมากในขณะที่ได้ทำโอ้ถ้าทำแบบนี้ได้หนูมีความสุขในชีวิตนะเห็นไหมเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่วิธีมุมมองและวิธีคิดถ้าถ้าขืนเป็นแบบนี้หนูจะเรียนได้ไม่ดีก็เครียดหนูก็ว่าจะสอบหนูก็ดูหนังสือเป็นบ้าเป็นหลังแค่นั้นเองหรือว่าจะทารายงานพอทาเสร็จก็ทิ้งเฉย เจอปัญหาทีก็ดินดิ้นินินดินแล้วก็เฉ่ยหนูทําใหม่ได้ไหมก็ ข, ขวนขวายตลอดแล้วก็มีความสุขตลอดฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาฝ่ายสร้างสารรค์ฝ่ายฝึกฝนฝ่ายพัฒนาตลอดอ้โหมันมามันมาใหญ่เลยทีเนี้ยใช่ไหมมันกลายเป็นว่ามนุษย์เรามันวัดกันตรงไหนวัดตรงที่ศักยภาพถ้าเราฝึกจนเป็นคนที่มีศักยภาพทุกด้านเป็นคนมีค่าไหมมีค่าในตัวมันเลยนะแล้วเชื่อมั่นเนี่ย มันมีความเชื่อมั่นในการฝึกในมีศักยภาพมนุษย์เวลามันฝึกตนเองจนมีศักยภาพจนทุกด้านแล้วเนี่ยใครก็มาหาเพราะคนคนนี้มันมีศักยภาพถามว่าถ้าจบมาเนี่ยจบมาจากต่างประเทศเชื่อไหมถ้าคนหนูลองฝึกตนเองจนหูเป็นระดับท็อปเลยอะ่ะใครวิ่งเข้าหาอยากจะซื้อตัวเลยจริงไหมล่ะมันคนมีค่ามีศักยภาพหรือให้มัน หรือถ้าไม่ฝึกตนเองเนี่ยโอ้โหใครไม่มองเลยนะต่อให้จบมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นุษสามารถทำได้ช่วงเวลาที่เหลือทั้งหมดฝึกตเต็มที่แล้วมันจะเป็นคนที่มีคุณค่าในในตัวเองขึ้นมาก็อย่างเมื่อวานนี้มีโยมมหาลงุล ง, ลง เ, เขาไปเรียนอเมริกาสิบเก้าปีตรีโทเอกพอกลับมาก็ามาทำงานที่ธนาคารต่อมาเนี่ยระดับคนรวยระดับประเทศเขารู้เขาเห็นเขาไปซื้อตัว จะออกเขายังไม่อยากให้ออกเลยมันคนไรมีศักยภาพจัดมันเรียนมันเก่งมันฝึกมันฝึกจากบททดสอบแบบทดสอบมันฝึกตัวเองทุกด้านเข้าใจใช่ไหมใจมันรักนี่ลองดูที่เนี่ยหนูจะฝึกตัวเองเนี่ยทั้งอ่านทั้งฝึกทั้งอะไรเนี่ยโอ้โหไม่พอเลยไอ้คำว่าเวลาที่เหลือหนูฝึกตัวเองจนมันอยากรู้ไอ ที่อังกฤษเนี่ยหนูลองกลับไปอ่านถ้าไปที่อังกฤษก็ได้หรือหาในประเทศไทยก็ได้นะหนูชอบอ่านภาษาไทยด้วยสังเกตประวัติของดรเอ็มเบตกามันไปจบมาจางอังกฤษในอะไรเจ้าเนี้เ <c oughs> คยอ่านไหมนี่แหละเอาประวัติทางนี้ไปอ่านแล้วหนูจะได้รู้ว่าโอ้โหไอ้เจ้านี้มันต่อสู้ชีวิตมาเคยมันกลัวจะประสบความสําเร็จในชีวิตมันต่อสู้อย่างมากมันไปเรียนไอ้ห้องสมุดในมหลาลัยในอังกฤษเนี่ยมันอ่านเกือบหมดเลย อ่านเกลี้งเลยมันอ่านขนาดนั้นเลยโอ้โหหต้ oh. <c oughs> องไปทํำดูดี๋วไฝึกตัวเองดู <c oughs> เอาหมดเวลาแล้วโอเคนี่จะพูดเรื่องทานนะี่นี่ <c oughs> ไปทุกหลายเรื่องเลยอ่า <c oughs> อันนี้เข้าใจแล้วนะว่าเออตั้งใจเจตนาในการที่จะเจตจํานงนี่สําคัญที่สุดในการที่จะให้ของที่จะให้ต้องเหมาะที่ผู้รับไม่ ให้ด้วยความเชื่อมั่นนให้ด้วยความเข้าใจในการที่จะให้อา้าวเดี๋ยวได้ถวายอ้าวอะเข้ามาถวายเลยมาช่วยกันยกเนะี่ยยกถวายกับมือเลยช่วยกันจับอา้อาวจับทีละอนันจับทีละอนันมาช่วยกันตรงนี้มามาเตะมาม า, มาอลยอา้าว อะช่วยกันยกเที่ยูกมัสาธุสาธุอ่านน้อมน้อมน้อมถวายได้นะเอมสาธุนี่อะไรเนี่ย ดีเลิกเลยนาะเนี่ยถวายนยถวายพระหมดเลยนเนาบนี้ต่อไปต่อไปตั้งใจทาสิ่งที่ดีๆเลยเนาะเอางั้นเลยเนีเลิกได้มไมใบุรีเออโอเคงั้นเลิกวันนี้วันแรกเลยมยวันนี้ยังยังไม่ได้ซมนมตงงั้นไปเอามาถวายพระเลยปะไม่พายึดรับเฮ้ย <c oughs> ตั้งใจเลย <c oughs> เอาเลยไปเอามาถวายพระเลยไป เนี่ยจะได้พร้อมกันกับทัศเขาเลยทัดเขาเลิกแล้วไปไปเอามาเลยป้าเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องไปนะั่นเลย ม, ม, มันมันมันทำอย่างนี้มันถึงจะเลิกได้เด็ดขานไปเลยป้าเอาไปเลยเออเนี่ยเออโวยแม่แท็กเตอร์ก็ใจถึงอะเดี๋ยวพวกเราโมทนาด้วยนะเนี่ยแท็กเตอร์เขาจะเลือกบุหรี่อ่ะโอ้โหเอาบุหรี่มาถวายพระชื่นใจเดี๋ยวช่วยกันโมทนาหน่อยเลย <c oughs> เ เออนี่น่าเช่ใจนะเนี่ยเขาได้มุมคิดนะหนูก็ได้ใช่ไหมงันมีทำได้จะเอาอันนี้ออกจากหูยังได้เลย <c oughs> ได้หมดเลยสมมติสมมติมม <c oughs> งงมึนเดียวชีวิตเกิด <c oughs> ใส่อะไรแย่ๆหมด <c oughs> อ โมทนาจะเทคเตอร์เฮ้ยมาเนี่ยอย่างเงี้ยดีเลยเนี่ยจริงยกมือสาธุกับเพื่อนหนเนื้อโอ้โหโอ้โหเอ้าไม่ตั้งใจเลยนะตั้งใจครับโอ้งสาธุเลยโอ้โหสาธุสาธุนี่คนจริงเลยโอ้ถ่ายโลกไว้ด้วยเห็นไหมเนี่ย เ ข, เขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยวิธีการในทําลักษณะเนี้ยไม่เคยช่วยได้เลยลใ ช, ใช่พวกรูปพวกอะไรเนี่ยไม่เคยช่วยทําให้มนุษย์เลิกบุหรี่ได้ <suf. S 1> เขาไปทํางานวิจัยมันเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่เคยช่วยได้เลยไม่เคยช่วยให้คนอยากจะเลิกได้เพราะจริงๆแล้วมันการทําซองอีกอย่างโดยไม่ต้องไปใส่ภาพที่น่าเกียดน่ากลัวมันกับการช่วยได้ เขาพยายามคิดแล้วคิดอีกกันออกมาแล้วก็เอาคนที่เป็นมะเร็งปากมะเร็งแต่ก็ไม่เคย